Book 2ยี่สิบการสนทนาหนึ่งทำตัวตามสบายครับทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ คุณอยากดื่มอะไรครับซูสิดาตะกปีจีคุณชอบดนตรีไหมครับมาเทราดฮุดบูมาเทราดฮุดบูผมชอบดนตรีคลาสสิกครับมามราดคลาสสิกกูฮูดบูนี่คือซีดีของผมครับตัดิโซมาซีดีจ์ก คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับอะไรแต่นายาคีฮูเดบ์นีนาสโตรนี่คือกีตาร์ของผมครับโตโยโม่กีตาระคุณชอบร้องเพลงไหมครับสปีวาตาราสปีวาตาราคุณมีลูกไหมครับมาตาเจจี คุณมีสุนัขไหมครับมาเตปซาคุณมีแมวไหมครับมาเตโกชกูนี่คือหนังสือของผมโตโตโซเมกนิฮิผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้มามรู้เซชเตนตุโตกนิฮูคุณชอบอ่านอะไรครับ คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับคุณชอบไปดูละครไหมครับคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ